เก้าสิันูที่อืนคสานสามยีไรผู้ชรกลมุ่นฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดังอัาริถตะบูดันนนนยืுรันเดว ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือปฎิกเว้นดุงอินระบุดานีย้ยงนอนคไล่ปัดอินเดวิดกีริดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุ60สิบเยนัก อ, อรุณบุตรไยดอนบุดนนอนเวลเล่เซวะดายนิรุติวิดเวนคุณจะโทรมาเมื่อไหร่ นิิงกัลยับปุรด้ฟอนเซอร์เวอร์กัลทันทีที่ดิฉันมีเวลา ஒரு ந นิม ட ดะสมัยมி ட ม த ் த ดு ட ன ்ดนเขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลาซีเรตสมัยยัมครีดเอ็ตบูดันอวันฟெนเซว ன นคุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ நீங்கள் ย வ ் வ ள வ ு நாட்கள் வ ேลை செய்வீர்கள் ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้เยนนลบุรียุงบรเวลเซเว่นดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่นอนออร์โกลิออุลล์บรเวลเซเวนเขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงานอาวันเวเลเซิวัตดกบดัดลปดัดกเยลปัดต์กุนด์ยิริกิรัน เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าวเอวันสมัยปัจจุบันเปลี่ยนเสด็จตลอดว่าสิทธิ์ตกลงดுวยยิ่งขีดเขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้านเอวันวีดีกับป ப ว வ த ั் க ு பதில் มาดูกะ ட ை ய ி ல ்่ாบอ இ ர ิ க ் க ி ற ா ன ்เท่าที่ดีฉันทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ ยกกา த ெ ர เท் த வ ่ை அவன் இங்கு குடியிருக்கிறான் เท่าที่ดิฉันทราบภรรยาของเขาไม่สบาย எ ன க ் க เทินิ่งด้วยวัยอวันมานิ க ิกก உடல் நலம் சரியில்லை เท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงาน எ ன க ் க ு த ินิ่งด้วยวัยอวันเวเล ல ่ย lla ดิฉันนอนหลับเพลิน มิฉนั้นดิฉันก็จะตรงเวลา น, อ น, อน้องอดิตของฟูงกีวิตเทนอิละเยลสมัยอธิรักวันดิรปเปีนดิฉันพลาดรถเมไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลาน้องเพื่อนุ่งได้ทาวเวอร์วิเทนอิละเยลสมัยอธิรักวันเดอร์ปนีนดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา எனக்கு வழி தெரியவில்லை இ ல ் ல ை ய ே ல ் சரியான சமயத்திற்கு வந்திருப்பேன்